ของพระองค์ยันผมเกียรติเช่นทรงจัดให้จัดทำผสมของพระองค์ให้เหมือนกับผสมของพระมหาจากักรพรรดิอาตมาขอให้อาจารย์วิจารเรื่องราวตอนนี้คลายสงสัยด้วยว่าพุทธประสงค์ที่แท้จริงนั้นทรงมุ่งหมายอย่างไรที่จัดแนะวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้อ่าเรื่องนี้นะสําหรับความเห็นของผมมีสองแง่แง่หนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เป็นคําที่พระสังขีติกาจารย์มจุขมา ก็อว่าผิดวิสัยที่พุทธเจ้าจะขนขวาอย่างนั้นผิดวิสัยที่จะไปฝากว่าเอาผ้าขาวผ้าร้อยพับมาพันพระตรีรพระองค์แล้วเข้าเอาจิตกาจิตกาทานปรงพระชนะปรองพระตรีรันี่สังขีติกาจามันจุขมาประการหนึ่งประการที่สองไม่ใช่ทั้งขีติกาจามันจุเป็นพระพุทธคดจริงๆแต่ท่านต้องทราบนะครับผ้าขาวผ้าร้อรพนะ่ยไม่ใช่ของหายากหรือของดี ไม่ใช่เลยเป็นของที่หาได้ทั่วไปง่ายๆถ้าบางๆห้าร้อยนถะุงละพันๆศกๆนั่นเองแหล ะ, นละเนี่ยและคำว่าห้าร้อยเนี่ยท่านทั้งหลายผมได้กล่าบเรียนแล้วว่าเป็นอันเนกระสังขยาไ ม, ม่ใช่ว่าเป็นคนขายซื้อในตลาดพงระตนสุพรันห า, ามาไอคบ 500. ้าร้อยบางร้านจะหาหาเาห้ารอยรับยังไม่มีเลยก็ไปหาว่านซื้อตร้านของ่านั้งหลายสิบล้านกว่าจะคบห้ารับเดี๋ยวนี้แหละในกรุงพเดี๋ยวนี้สมมติเราจะเผาศุาภัยหอศได้นเผา้าร้อยับตายจริงรับรองไป ลานข้าพระรัชพันธ์หันมีไม่ครบข้าพระพ้เรามีไม่ครบอ่ะมีไม่ครบหน้าทีเดียวทหารลร้ล้านหลายแหงนะแต่ว่าผ้าขาห้าร้อยพับในครั้งพุทธการ่ะเป็นเพียงแต่ว่าพ่อเขาหลายๆลืนแปลว่าผ่อขาหลายหลืนมันจํานวนจะต้องยืนไ ม, ไม่ไม่จะเป็นต้องยืนตัวต่อห้าร้ยผืนไม่จําเต็มได้กล่าวมาแล้วว่าในกระสังขยาแล้วข้อนี้พุทธเจ้าก็ไม่อยากจะให้พูดบออันโนนคืออยา่าขวงควายเลยหนึ่งสรีละของเราเป็นหน้าที่ของพวกกระสาพวกกณะบดีพวกวาม เขาต้องคือตถาคตมีเขาจะจัดการกันเองแต่พระอนุลน์ข่งแกร่งพระอนี่บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะาข่าพระองค์ไม่ถามไว้ถ้าเผื่อถ้าเผือพวกนี้พวกหน้าบดีพวกกษัตริย์พวกข้าเขาถามขึ้นว่าธนาลน์จะจัดการกับธรีราชสุนทาอย่างไรข่าพระองค์ไม่ถามว่าเราตอบเขาไม่ถูกเขาจะติเตียนได้พราฉะนั้นต้องขอทูลถามพระพุทธเจ้าจึงจําระไตรสแสดงเราวสิสแสดงบอกว่าให้พวกนั้นเอากองง่ายว่าดูก่อนอนุลน์เอาเผาอะไรถืนพันศุภตถาคตแล้วก็เอาไปเผาเสีย ความเพียงแค่นี้เองอ่ะไม่เห็นจะเป็นข้อที่แสดงว่าพระองค์อ่ะอยากจะให้ใหญ่โตสมพระเกียรติไม่ต้นนี่ครับไปพิจารณาอ่านข้อก่อนหน้าดีนะครับไม่เต้นแล้วไม่ได้เงเลยพระองค์ตรัสแบบ ว, ว่าถ้าปัญหาคตปลายแล้วก็อเอาเข้าโกรนะลังเข้าเจอเข้าโกดธแล้วต้องมีพวงหรีดแล้วเพวงหน้ามาติดไว้หน้าโกรธ แล้วก็ถึงเจ็ดต้องทุกวันต้องมีคนตรวดมีคนมาทำบุญไหว้ต้องมีประโคมนะแล้วก็ต้องมีละครมีหนังมียิ้วมีนาฏยา่าประกวดกระนประชันการต้องแจกการงานกพเยอะแยะแพร่หลายไปเอออย่างนี้เขามาว่ากันว่าพระสาสดานะ่ะทรงขนขวายหนึ่งพระสตรีละไม่ต่างกับชาวบ้านไม่เป็นนี่ครับเรื่องนี้ไม่เป็นเลยพิจารณาของแค้เถอะเนี่ยพูดไง่ายๆว่ า, าเาขาศพเจ้าพัดเป็นยังไงเขาศพเราอย่างนั้นเพราะหมายความว่าเขาศพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในขั้นนั้นน่ะ เขาไม่ยอมเผาเปนอย่างไรวจงเผาสุดเราอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดถาพระองค์มาจัดเลยว่าจงเอาเสื้อเก่าไปหอสุดแล้วไปทิ้งไปเผาเสียหมดเรื่องพวกรามพวกกษัตริย์พวกข้าวันนี้เขาจะยอมไหมเขาไม่ยอมไม่ได้พระบรมศาสดาจะทําอย่างนี้ไม่ได้เขาว่าบ่งขุนขวาอยู่ดีอะเพราะงั้นไหนๆเขาต้องขนขวายเผาอย่างจะตัดแล้วก็จัดไปซะเลยบอกว่าทำกษัตริย์ยังไงก็ทํากับเราอย่างนั้นเพราะถ้าโดยชาติอ์ก็เป็นขัตยญาะโดยชาติเขาก็ต้องถวายพระเกียรติอยู่แล้วต้อเผาสมภรณ์สมเกียรติเป จะป่วยกาพยายกับพระพยยองค์เป็นธรรมราชายิ่งกว่าคัจิยะซะอีกนะข้อ น, นี้ไม่แปลกไหมครับข้อ น, นี้อครับนะอ๋อเดี๋ยวด็ดท่านท่านภูณ้ถ า, า, า, ามมาอกว่า ที่พระพุทธเจ้าแสดงนินดๆโอภาสกับพระ อ, อนน์น่ะคล้ายๆแสดงออพระ อ, องค์ก็อยากจะอยู่ในโลกทำไมพระ อ, องค์ไม่แสดงอิทริปให้อยู่ต่อไปเลยทำไมต้องให้พระ อ, อนน์อรารัธนามาเรื่องอะไรอ่าเรื่องนี้สําคัญอา่าสำหรับปัญหาข้อ น, นี้อ่ะเราต้องพิจารณาคําว่ากลับจะยิ่งกว่ากลับกับป่าในที่นี้ไม่ถึงอายุกลับปะไม่ใช่โลกกับกลับปะ่านะอายุกลับปะของมนุษย์อายุกับปะของมนุษย์ไม่ใช่ป่าอยู่กันในคําฟ้าค้ำดินไม่ใช่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 เวลานั้นนะพระองค์จะดับขันก็ดับได้แต่ไม่ดับขันก็ไม่ดับได้โดยอาศัยอิธิบาตภาวนาอันประกอบด้วยปรานสังขารพูดางานว่าเข้าอันนี้มีตัดเจโตสมาบัตเมื่อเขาอันนี้มีตัดเจโตสมาบัตแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอ า, าพาธกรุงร่างกายให้มีพละกระปรีกก้กระเปพ่าขึ้นมาได้ก็มีพระชนชีพต่อไปอีกสักสิบปียี่สิบปีแต่ยังไงก็ตามไม่เกินรอยยี่สิบก็ต้องนิพพานแน่ เทพีพระอานนทาราชนาน่ะเวลานั้นพระองค์ก็เด็กบอกกับพระอานนท์แล้วว่าแก่งอมแล้วร่างกายเราเหมือนกีนขําม่าที่ต้องอาศัยไม้ไผ่กระทะกระทัะทงเนี่ยถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่ด้วยกลังใจตัวเดียวที่จะทําให้สรีระพระองค์อยู่ได้ถ้าพระอนนานนทาราชนาเข้าพระองค์ก็จะได้อาศัยที่พระอานนทาราชนาน่ะคล้ายๆว่าทําให้พระองค์น่ะมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปตามคำอาราธนาแต่เมื่อไม่มีอาราธนานแล้วพระองค์ก็ทอดอะไร พอถึงการที่เราจะดับขันแล้วเรื่องเขาเรื่องอะไเพียงเท่า น, นี้เรื่องเขาต้องเพียงเท่า น, นี้เองคือต้องการให้พระอา น, นนท์มาบอกมามาอาราธนาบอกว่าขอให้อยู่ต่อไปเถอะเป็นการอ่าให้กําลังใจพูดง่ายๆให้กําลังใจให้กับพระ อ, องค์แต่ที่พูดอย่างนี้ไ ม, ไม่ใช่หมายความว่าพาะระเจ้าบอกสัยพึ้นคนอื่นนะไม่ใช่นะต้องหมายอย่างหนึ่งว่าที่คําว่าให้กําลังใจนะพูดง่ายๆว่าเหมือนคนเราพุทธมารกษัตร์ ทำนักพระมหากษัตริย์ที่ด้มุรธาพิเศษแล้วย่อมมีสิทธิที่จะเสด็จเข้านอกออกไมได้ใช่ไหมสิทธิอำนาจมีอยู่จะเข้าไปบ้านใดเมืองใดได้หมดกษแต่สมัยสมบุรณาญาสิทธิราชอำนาจอยู่กับมือหมดทำอะไรก็ทําได้แม้แต่จะสวยราชโดยการสุดชนสันติวงค์ก็เป็นได้แต่ทำไมต้องอาศัยพรามเวลาขึ้นประทับนั่งพระแท่นพระตรบิตในวันบรมราชาพิเศษต้องอาศัยพรามถวายแผ่นดินถวายแผ่นดิน แล้วก็พวกคุณนางเวียงวางครงางนาคุณนางเวียงถวายมืองคุณนางวางถวายกุญแจวังคุณนางนาถวายฝืนนาอบอกกล่าวทถวายแล้วก็ส่งรับเป็นพิธีการรับเป็นพิธีการความจริงน่ะถึงไม่มีพิธีอย่างนี้ก็ทรงเป็นกษัตริย์เป็นสมุลแล น, นแล้วโดยนิตินแล้วนับจากวินาทีแรกที่กษัตรววติย์องค์เก่าสมรรคตและพระองค์เป็นสืกสมติวงศ์แต่ที่ต้องให้มีพิธีกรรมอย่างนี้นะ่ะ เท่ากับเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งยืนยันความปรารถนาเป็นอนเนกเกษมูสรนนีก่สมมุติขึ้นมาชั้นใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นพระองค์เป็นธรรมราชามีสิทธิมีกําลังใจมีอํานาจพละสมาบัติที่จะทำํำยังงู้นทําอย่างนี้ได้หมดแต่ก็ต้องรอโอกาสให้สาวกอาราธนาเมื่อโอกาสให้สาวกอาราธนาก่อนเมื่อสาวกอาราธนาแล้วพระองค์ก็เอาละเราจะอยู่ต่อไปละอุปมาเหมือนพระมหากษัตริย์ รับพระราชนาจากอนเนกสมูซอณิกรสมมติขึ้นเป็นกปะสัดชั้นใดกว่าชั้นนั้นไม่ใช่ยังอยากไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยากครับคําว่าอยากอยู่ไม่มีถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยพะละ ก, กําลังกรุณายังกรุณาต่อสัตวโลกอยู่ถ้าพระองค์จะอยู่เป็นประโยชน์ต่อตวโลกอีกสักยี่สิปีพระองค์ก็ยินดีจะอยู่ยินดีในที่นี้เป็นฉันพระฉันพิธิบาทไม่ใช่ตันหาไม่ใช่เป็นฉันพิธิบาท นะฮะฉันได้ปัญหาต่างกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพระรามกลังพระองค์งอนห่มเต็มทีแล้วเหมือนผลไม้กัำมันจะหลุดจากขั้วจะหลุดไม่หลุกเลยอยู่แล้วนะพระองค์ก็ปล่อยให้มันถอยไปเลยถึงไม่จะถอยไปเลยบับไปเลยแต่คนงานที่พระองค์ทําก็ยังอยู่นี่เป็นประโยชน์กับสัตวโลกอยู่อลักษันที่จะเป็นที่ขึ้นของนาถาโลกยังอยู่กันยแย ะ, แยะ ก็องไม่กลัวอีกแล้วพคอยมันที่บอกว่าอิตามามนนันไงล่ะอิตามาน่ะอิตามานความจริงมาแา้ธน า, าแต่พระอง์ตัดสรุปแล้วใหม่ๆนะที่สามุจลินมาล่าธนาแล้วในระหว่างที่สว ย, ยวิมติสุขมาแล้วอาจีพารามีโคตรอีแข่งหนึ่งมาเล่าธนาบอกว่าพระโคดมขุนขวายน้อยเถอะอย่าเลยอย่าไปตั้งาศาสมาพุทธจังสอ น, นชาวโลกให้เหนื่อยอยากเลยเมื่อรูดพ้นแล้วก็อตัดช่องม่างนี้เอาตัวรอดรีบดับขันไปซะเลย ภาศาสดาขับไล่มารบมารไม่ได้ตราบใดสาวกสาวิการที่สุดที่สุดนี้อุบาสิกาของเรายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ยังไม่สามารถประกาศพรหาจารย์ของเราด้วยดีให้ไพร่ในเบื้องต้นไพร่ในท่ามกลางไทร่ในที่สุดยังไม่สามารถจะแก้ ร, รัตวาสของคนต่างศาสนาต่างนักที่ที่มาย่ํายีต่อศาสนาได้ตราบนั้นคาถาคตยังไม่ บับขันธ น, นิพานพูดอย่างนั้นมารก็ลาไปในพรรษาสุดท้ายที่อาพาธหนักในมองเวสาลีมารมาตัวนี้ก็โผล่ขึมาอีกมาบอกว่าได้เวลา แ, แล้วพระเจ้าข่าพระองค์จําคําปฏิญาณเมื่อ45ปีก่อนโน้นได้ไหมที่พระองค์ประทับอยู่ที่อชปาลนิโคร ต, ต้นสายอันเป็นที่พักแห่งเด็กเลี้ยงแพ ท, ที่สมุทรเวลาเสนาณิคมจําได้ไหมมาทูลสัญญาเก่ากับพุทธเจา้าพุทธเจ้าว่าจําได้อย่าตัวเลยมาร บัตรนี้น่ะคาวกสาวิกาทิสุิที่สุดนี่อุบาทวอุบาสิกั้งเราแพ้หลายแล้วประมจําเราเป็นสุกทันแล้วสามารถประกาศทันทั้งไยัยรอดในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดได้ดีแล้วสามารถแก้รัฐประวัติต่างๆได้ดีแล้วเอาแล้ทานแต่นี่สามเดือนเราจ ะ, บบาะดับคำท่านฤาษีพานบอกกําพานยังพานอย่างนั้นบอกไก่ตำมันอย่างนั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าถึงแม้ห้องนิจใจจะนิพานเมื่อยุอย80ดสิก็จริงก็ใช่หะองในิใจไม่ใส่รกรรมตัดช่องน้อทิ้งโลกไปในเมื่อพระองค์ได้ ถ่ายทอดความรู้กัภาษาวลกเต้นเตี่ยมรู้ก่อนอนนจํา ม, มือของอาจารย์ไม่มีทรงค์มอมือให้กับลูกเสร็จหมดไม่มีว่าไอตรงนี้ยัดเอาไว้ครูลูกเสร็จมึงคิดล้างคูต้องยักเอาไว้ไม่ก็ไม่รู้ไม่มีรพระเจ้าไม่มียักความรู้ไว้สําหรับหัวความรู้ของอาจารย์ไม่มีบอกว่าความกำ ม, มือของอาจารย์นม่มีเปิดเผยหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อบรรดาลภาษาวลกทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคัหัดเขามีกําลังมีความสามารถจะประกาศศาสนาด้วยดีแทนพระองค์ได้แล้ว พระองค์ก็ไว้วางพระทัยได้พร้อมที่จะนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นถึงนั้นนิพพานเมื่อยุติแปดสิบก็ไม่ใช่ว่าเสียเมตตากล่าวครับกล่าวแต่ถ้าอารัธ น, นานแล้วย่างยืนต่อไปอีกสักยี่สิบปีก็เป็นผลถอยได้ของชาวโลกที่จะอยู่มีโอกาสเห็นหน้าพระองค์ต่อไปอีกนานๆหรือไม่หลวงพิงค์าำนี้นเองเลยครับ่ถามบอกว่าลูกข้าพอเป็นอนันตฤติกรรมตกตะลุถึงอเวจี แต่ทั้งนันพระเจ้าอาชาตศัตรูจึงฆ่าข้อจึงไปตกแค่โรหกุมพีก็เพราะว่าอาชาตศัตรูทํามหาทุกศุอุปัตถมปฐมทั้งอายนาหนึ่งบูรณะวัดสิบแปดตำบลรอบรอบมองราดเชือเครหนึ่งแล้วก็อากลัดใจเป็นสมาธิฐิหลังจากฟังสามัญญผลสู่ที่พระพุทธเจ้าแสดงหนึ่งทูลขอธมากรรมกับพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองหนึ่งสี่ข้อนี้เลยผ่อนกรรม ตกแค่ละข่า ก, กุมพีแทนที่จะไปอยู่บางขวางเก็ะอยู่แค่ละหูหลงลืงลงแค่นั้นรับรับกระเพรากสานว่าข้าเขาจริงแล้วมีความดีอย่างอื่นมาชดเชยสารก็เลยเมตตาตัดสินอยู่แค่ติดละหุกะพอมม่มีอะไรส <c oughs> มัยที่พระ อ, องค์ทรงข้ารพนิพานทราบบ้างหรือไม่ว่านางพิสุนีสูญแล้วหรือยอย่างทำไม่ปรากฏว่ามีนางพิสุนีเข้าร่วมในข้างนั้น น่าจะปรากฏถ้ายังมีอยู่ถ้าสูญแล้วเหตุใดในสมัยหลังมาจึงปรากฏนางพิสุนีขึ้นมาอีกขอความระวังด้วยยังไม่สูญ น, นางพิสุนีมีอยู่สิครับในสมัยที่มึงกูชินาราก็มีนางพิสุ น, นีอยู่พิสุนีอยู่ถ้าไม่มีทําไมพระอึงกลับบอกว่าดูก่อนุอนพนิกษุพิษุนีอุบาสกอุบาสิกาได้แต่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีความอนุสรึงเรานะจงไปสู่สังเวชนีสางสีสบุญอะ ในกรุงธรรมสังเวสีนั้นจะเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์แก่พิสุพิสุณีอุบาสิก อ, อุบาสิ ก, กาบนั้นนั้นคุณพระ อ, อนี้แสดงว่นนงันพิสุนี้มีอยู่ในครั้งพุทธิจารีภานไม่ได้สูญหายไปไหนมีอยู่ตา อ, อาจารย์บอกว่าถ้ามาลายเกิดภายหลังพุทธิจารีภานหลายร้อยปีจะไม่ขัดกับเรื่องที่ว่าพระโมคคัลลานะถูกพวกเดียถีจ้างโจรพุทธเพื่อ น, นาข่าวสารสัตรูโลกมาแจ้งกับประชาชนหรือและในน้ำซุ้มเทพหนึ่งมาลัยก็มีพระโมคคัลลานะอ่าพระโมคคัลลานะกับพระมาลายคุณ คนลงพระโมคคัลานะครั้งพุทธกาลพระมาลายอยู่ในรังกาแล้วเรื่องที่เทศเรื่อง ท, ที่พระมาลายมีเรื่องโมคคัลลานะเป็นเรื่องเล่าครั้งพุทธกาลเอามาเล่าแต่ลกักษณะคล้ายกันคือไปลงมันรกไปเยิ่ยสวรรค์แล้วเอาบาปบุญมาไลา่ชาวโลกฟังคล้ายๆกันขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายและอธิบายสีทําให้มีชีวิตอยู่ได้ชั่วกับชั่วการให้เห็นแจ้งด้วยไอ้ชั่วกับชั่วการนีนกกนน่กรุณาอย่านึ ก, กว่าเป็นอายุของโลกอยู่คำฟ้าคํำดินอย่านึกอย่างนั้นนะะเพียงแต่ชั่วอายุอายุ ก, กับ อย่างคนเดียวนี่ถือว่า75ปีเป็นเกณฑ์อยู่เกิน75ก็ถือว่าอายุหนึ่งกับแล้วจะบอกให้อายุ80ปีก็พูดเลยอายุเกินหนึ่งกับไปแล้วอายุใครนรุ่นปัจจุบันนี่75ปีเป็นอย่างสูงใครเกิน75ต้องเป็นราภของชีวิตต้องเรียกว่าอยู่ได้เกินหนึ่งกับเดี๋ยวนี้นะอายุอายุเกิน75 76ขึ้นไปแล้วก็บอกให้ฉลองอายุเกินหนึ่งกับแจกบัตรฉลองอายุได้ มาสดายมุทิตาบัตว่าข้าพเจ้านี่อายุเกินหนึ่งกับแล้วคำถามผมว่าหนึ่งกับหมายถึงอะไรหมายถึงอายุกับปะไม่ใช่อายุของโลกอายุของโลกน่ะนับไปทวนปีกลับหนึ่งอิทธิบาทสีในที่นี้นะ่ะหมายถึงชั้นพิธิบาตประธานและสังขารจิตติิบาตประธานและสังขารวิมังสิทธิบาตประธานและสังขารหมายถึงอย่างนี้อิทธิบาตสีวิริยิทธิบาตประธานและสังขารคือว่า อิทธิบาทอันประกอบด้วยปาทานและสังขารได้แก่กําลังแห่งสมาบัติอย่างแรงกล้าคืออั น, นิีมิจฉาเจโตสมาบัติเมื่อเขาอั น, นิีมิจฉาเจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไลบ่บรรดาอ า, าพาธออกจากกาได้หมดทําให้ร่างกายกระปรีกก้กระเป่าออกจากสมาบัติแล้วโลกที่มีอยู่ก็หายกําลังกายแข็งแรงกระปรีกก้กระเป่าดีอย่าว่าแต่พุทธการที่พุทธเจ้าทําได้นะพราสงในเมืองไทยก็ทําได้ทําได้ ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตต์ปั่งอาจารย์กรรมฐานมีชื่อในพ่ออีสานที่ท่านรว้ลับไปแล้วประมาณสิบกว่าปีเป็นอาจารย์ภูกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากท่านผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยอาพาธหนักนะในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านได้เข้าจเจริญอิทธิบาทตามในพุทธพุทธิพุทธิจาแสดงไว้เข้าอันนี้มีตจัจเจโตสมาบัติพอออกจากสมาบัติแล้ว อ า, าพาธีเป็นอยู่หายเป็นปิดทิ้งเลยร่างกายฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงกระปี้กระเป๋าหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาลบลวนตลอดปีนั้นทันทีไม่มีเลยเนี่ยและอ า, าพาธีใดถ้าก็เข้าเข้าสมาบัตดขับไล่อ า, าพาธทุกทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องปล่อยไปตามธรรมธรดานสังขารศูนย์สั ง, งขารไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเป็นด้วยว่าอายุขยะบะ่อนะตายโดยเหมือนผลไม้เหงอกสุกงอมหล่นลงจากขั้วเองไม่ใช่มีใครมา หรือว่าถูกอุบัติวะไม่เป็นอุบัติวะบรณะไม่เป็นกรรมขยะบรณะแต่เป็นอายุขยะบรณะผ่าเป็นอายุขยะบรณะแล้วไม่มีอำนาจใดๆมาขูนได้เนี่ยความตายเพราะสิ้นอายุถ้าตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้กรรมอื่นช่วยได้เช่นนะั้จะตายเพราะสิ้นกรรมเราสร้างกรรมดีไว่มากๆเป็นมหาสุสวลรป่อยสัตรูทำอภัยทานเยอะๆอนหนาอภยทานก็ป่ออายุไปได้ พระองค์หนึ่งพระเป็นพระนาวกกาศบวชที่วัดราชประดิษฐ์หลายปีมาแล้วแล้วก็เขียนลงในบทความเรื่องนาวกกาศลำลึกชิ้นหนึ่งบทความที่นนั้นแก่เล่าถึงเมื่อยังเป็นคันหันอยู่บาดตายในตั้งสามวันแล้วคืดขึ้นมาระหว่างสามวันก็เห็นคนใส่เสื้อแดงเป็นเกงแดงมาเอาตัวแกไปไปหาโรงบาลไปถึงเข้าไปในคลับเป็นศาลเปิดบัญชีดูบอกวันนียถึงที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตายไปตามกรรม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 เจ้าเคยทําความดีโดยการช่วยต่อชีวิตปัจจเป็นอภัยทานเพราะนั้นจะต่ออายุให้ไปอีกสิบปีกลับไปหรอไปอยู่อีกสิบปีให้มันทาความดีไว้นะอย่าไปสร้างบาปอกุศลกรรมเข้าหลังจากนั้นแกก็ฟื้นขึ้นเขาพามาส่งแล้วก็ฟื้นฟื้นแต่นั่นมาใจเชื่อบุญเชื่อกำเลยตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อเลยเนี่ยเวลานี้ผู้หลักก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นคระหัตแล้วเพียงความดีช่วยเป่าตัวหนึ่งต่ออายุถึงสิบปี อันนี้เรียกว่ากรร ม, มขยะบรอนะแต่เพเอิญมีกรรมดีมาตัดมาช่วยเลยต่ออยุได้แต่ถ้าเป็นอายุขยะบรอนะแล้วไม่มีทางนะแกจะอายุเก้าสิบปั่งปับแล้วบอกขอต่อไปอีกสักสามสิบปีเธอโอ้ไม่ได้การละใจาอายุขยะผลไม้หน่อมหน่อมต้องหล่นแล้วเนี่ยหลงหลงมัยังไงข้านักศึกษาเลขที่สี่สองถามมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิมิพานแล้วยังไม่ได้สวายเพลิง รอให้พระมหาศักดิสุบเดินทางมาถึงเสียก่อนเมื่อพระม้าศักดิสุบถวายความเคารพตามตํานานว่าพระองค์ยื่นสะปาพระบาทออกมาให้พระมหาศักดิสุบนมัสการข้อ น, นี้มีความจริงเพียงใดเมื่อถวายพระเพลิงปรากฏว่ามีไฟลุกขึ้นมาเองโดยไม่มีใครเผาข้อ น, นี้มีความจริงเพียงใดจริงทุกขอ้อเป็นพุทธปฏิปปิหารพระมหาศักดุบมาจะถวายบังคมพระพุทธบาทของข้างก็ยื่นออกมานี่ก็เป็นพุทธปฏิปิหารถึงความจริงไฟเผาขึ้นเองก็เป็นไฟเทวดาจุด เทวดาจุดไฟไฟสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ลงมาพุ่ง่ายๆว่าเป็นความร้อนจากเตโชธาตุในธรรมชาติลุกพึ้นมาแม่ประจานในข้อนี้เป็นด่าวเวลานี้ก็เป็นดาวไม่เชื่อก็เอาไม้รรของอันสีกันเนี่ยเอากระจกไปสองดูก็ไฟสวรรค์พุ่้ํากันเนี่ยไม่ต้องอาศัยไม่ขีดไม่ต้องหรือไอ้ของร้อนกระจกก็ร้อนนี่ยไปตั้งเงาเผาแดดเอาแสงแดดเข้ากระดาษปรนี้กระดาษลุกไหม้เลยเนี่เข้าใจเอาเป็นอย่างงั้นเป็นความจริงครับขอนี้ฮะ อาตมาขอถามเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่กว่าคนเราแต่ในอัจฉริยเสนาสนะขันธกะเสนาสนะขันธกะตอนว่าด้วยเท้าเตียงและต่างให้มีเท้าสูงไม่เกินแปดนิ้วพระสุคตท่านแก้ประมาณนิ้วสุคตว่าสมนิ้วบุรุษกลางคนเป็นหนึ่งนิ้วสุคตพระสุคตสามคือคนกลางคนเท่าหนึ่งคือสุคตได้ความว่าพระองค์คงจะใหญ่กว่าคนเราถึงสามเท่าทุกๆส่วน และลักษณะบุรุษที่ว่ามีนิ้วกระหับเสมอกันเป็นต้นช่วยแก้สงสัยด้วยเรื่องนี้ท่านก็อ่านแล้วว่าเป็นอัคถาอัฐฐฐาคคตาท่านเชื่อท่านว่าผู้ศิษยเจ้าใหญ่กว่าคนท่านก็แก้ตามความเชื่อท่านแต่ในพระบาลีพุทธเจ้ฐฐาเท่าคนไม่ได้ใหญ่โกว่าคนเมืองสามเท่าสีเท่าไม่ไม่ได้ใหญ่งี้ยนะครับธรรมดาถ้าใหญ่กว่านคนคนสามเท่าสีเท่าแล้วจะไปแลกสังขาติพมากับสมคมได้อย่างไรมิหอมไปแล้วเปิ้เปิเ้ลอยู่แค่ลาพันธ์เหรอ แล้ว็คนต่างเท่าสีเท่าเนี่ยจะไปแลกข้าหมเงือกเพราะั่กตะกบได้อย่างไรนี่อันนี้เป็นหลักฐานจะเมื่อยังเป็นคระดิ่งหัดอยู่จะไปอยู่ครืองพนังทีมพาได้อย่างไรอย่ายกาคนต่างเท่าสีเท่าอ่นนึกอย่างนี้ก็นึกอยงีก็แล้วกันนะครับแล้วถ้ายายก็คนสามเท่าสีเท่าล่อเวลาหมอชีวกจะไปเฝ้า่พามัดพระเจ้าชายประตูไปเฝ้าเพราะชาวเขาดูดูไปออกว่าใครเป็นพู้จัเจ้าเขาไม่เคยฆ่าผู้จัเจ้ามาก่อน แต่ทังมอชีวะก็้องบอกว่าองค์ที่นั่งอันพระติสรางต่อทางพิษประจิมผินพระพักต่อทางบูรพาพิษในถ้มกลางสงฆ์อมนั้นแหละคือพระผู้มีพระภาคพระเจ้าอาจารยตูตจึงไปไหว้กล่าวพระบาทถูกพระองค์จะสูงใหญ่กว่าคนตั่งสามเท่าสีเท่าแล้วหมอชีวะคุณหงำเดียบอ่ะข้าองค์ที่ถูกหลังใหญ่โตเป็นยักษ์นั่งอยู่นั่นแหละคุณพระพุทธเจา้าเนี่ยหมดเรื่องเฮ้ยพูดย่างไงละ่ะนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งพระ น, นุนหน้าตาเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่าง ้ารๆก็หลงกาบหลงว่าเป็นพุเจ้าเนี่ยถ้าใหญ่ตัวคนนั่งสามทางสีเท่าแล้วใครจะมาหลงหลงกาบหลงว่าพระนรนรู้ว่าพระนรจะรูปร่างท่าพุทธเจ้าสามเท่าสีเท่าเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วพระนนจะไม่เชื่อว่าเป็นคนมีรูปร่างหล่อรูปสวยแล้วพุทธเจ้าเราท่านรูปรองนะพระุทธเจ้าของเราเนี่ยรูปรอเป็นชายงามแม้แต่บุรุษเพศก็ยังหลงอยาวว่าแต่สตรีเพศบุรุษเพศยังหลงกันได้กับพระมัคกะลย์ไงล่ะเพราะว่ามัลย์กบวดนะไม่ใช่บวเพราะอะไรบวชเพราหลงพระลูกพุทธเจ บวชแล้วมันเป็นอันทาอะไรนั่งวันก็แง้มคอชมพระพักอยู่นันแหละแหมหล่อจริงนะหล่อยังง้อนหล่ออย่างนออางงี้ชมพพุทธเจ้าอย่างนั้นนะนี่เพราะว่ากระี่ก ร, ระทานแกบวชเพราะความหลอ่อพพุทธเจ้าเป็นเหตุนี่แล้วพระพุทธเจ้ า, าลัลางใหญ่โต ต, ตั้งสามเท่าสีเท่าจะหล่อเลยหล่างนีิดธรรมดาเมื่อแง้นคอตังสองตั้งว่าหน้าตาน้ากลวไปไนะเด็กเห็นเข้าตกใจร้องไห้เลยเด็กนี่นสแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่เท่าคนธรรมดาแตะใหญ่โตกว่าคนเดี๋ยวนี้ก็นิดหน่อยไม่ใช่ผิดผู้ผ ค, คนมากมายอะไร ส่วนนิ้วผ่าหัดเสมอกันเนี่ยเป็นมติในอัตกถาแทรกเข้ามาครับนิ้วหัเสมอกันแขนที่จะงามกับหน้าเกลียดเห็นหน้าวิ่งหนีนิ้ว่าบอกเสมอกันนิ้วผาหัเสมอกันและมีน้าต้นแขนยาวถึงเข่ามันไม่ใช่คนนะมันจะเปวานนอนนะถ้าแขนยาวถึงเข่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเราเขามีลักษณะอย่างนั้นหรอกตำนานมหาปุริสระขณะเนี่ยเราต้องหานะว่าอย่าไปเชื่อร้ออร์เซ็นต์อย่าไปเชื่อตามคำในตำนานมหาปุริสระขณะพลนาไม่ได้แล้วไม่ได้ ขนาเอาตัวตามตุนตุนสูอองั้นเต่งเต่งไม่เชียวเอากระจกฟองด้วยแขนยาวถึงเข่าเดินเวล า, านิ้วเท่านิ้วมือยาวเท่ากันตายจริงมันมันคนอะไรก็ไม่รู้มีรูปร่างอย่างนี้หน้าหน้ากลัวเนี่ยพระเจ้าเราไม่มลีลักษณะอย่างนี้ร้อยเร์เซ็นเด็ดขาดมีรูปร่างเหมือนรถธรรมดาทุกอย่างแต่ว่ามีความสวยงามดีกว่ารถธรรมดาเป็นอย่างนั้นเออท่าน เลขสีสิบเก้าถามมาบอกภาษาของมนุษย์ต่างๆนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรสองชื่อหรือบรญยัติต่างๆมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอาภาษาของมนุษย์เนี่ยแต่เดิมก็มาจากภาษาไทยภาษาใหม่ก่อนให้ชีโบชีเบแค่ภาษาธรรมชาตินะไทภาษาใบคือภาษาธรรมชาติต่อมามนุษย์ลัทนาการขึ้นมาเมื่ออยู่กันในสังคมใหญ่จําเป็นต้องเหวียงออกเสียงก็ฟังจากฟังเสียงสัตว์ ยังนกร้องมนุษยก็เลี้ยงแบกพืดอยังออกมาโ อ, โ, อโอ้ออ้อย่างเงี้ยออกมาได้ต่อมาอีกจเจริญขึ้นอี้รู้จักทําเครื่องมือเครื่องใช้กันแล้วตอนนี้คําที่มนุษย์เรียกคําแรกคือเรียกพ่อเรียกแม่นี่เรีคําแรกภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยเป็นคําเรียกเป็นคําเรียกคําแร ก, แ, ร ก, ร ก, แ, รกแล้วต่อต่อมาก็วิทยาศาสตรมาเรื่อยแยกแยกย้ายกันไปก็เกิดเป็นภาษานาน า, นาชาตินานาพันออกมาเนี่ยออกมาเป็นเป็น ออกมาเป็นกายเป็นกองเดียบอุ่นเขาก็มาจากภาษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นถามว่าภาษ า, านี้มาจากไหนก็ตอบว่ามาจากภาษาใบภาษาธรรมชาติก่อนนะฮะถามว่าชื่อและบัญญัติต่างๆล่ะมีประวัติมาอย่างไรก็ไม่มีประวัติมาอย่างไ ร, ม ม, ม, ร, ม, งไร ม, มมนุษย์มีความเจริญขึ้นเครื่องใช้เครื่องเข้ามันมีมากอุปกรณ์ที่ต้องมีก็จำเป็นเด็กสมรรถนะของภาชนะจึงมีชื่อและบัญญัติขึ้นอย่างคนเนี่ยก็เรียกชึ้นว่าอุ่นหรือไอ้ด้วยพรหรือไอ้พรอมคำนี้ก่อนแล้วต่อมาตัวนี้คนอุ่นและคุณคุณพมแล้วะคน ที่อ้วนพร้อมอย่างเดียวไม่ได้แล้วจําเป็นอย่านี้องบอกว่าพร้อมหนึ่งพร้อมสองหรือว่าอ้วนหนึ่งอ้วนสองอล้วอ้วนบั้นอ้วนใต้อ้วนเหนือแล้วแต่อยู่ตามทิศทางต่อมาไอ้ทิศทางนั่นแหละก็มีอ้วนพร้อมมาเข่าจะเรียกอย่างนี้ก็ไม่ได้จึงต้องบัญญัติชื่อชื่อเหลือมาแล้วชื่อในกลุ่อถูกแบัญญัติขึ้นอย่างโคมี้ก็เรียกชื่ว่าอ้วนก็เรียกไอ้อ้วนพร้อมก็รไอ้พ้อมคํานี้ก่อนแล้วต่อมาเกิดมีคนอ้วนแล้ะคนคนพร้อมและคน จะเรียกว่าอ้วนรอมอย่างเดียวไม่ได้แล้วจําเป็นอยนี้ต้องบอกว่าอ่าพร้อมหนึ่งพร้อมสองหรือว่าอ้วนหนึ่งอ้วนสองอ้วนบั้นอ้วนใต้อ้วนเหนือแล้วแต่อยู่ตามทิศทางพอมาไอ้ทิศทางนั่นแหละก็มีอ้วนพรอมมาเข่าจะเรียกอย่างนี้ก็ไม่ได้จึงต้องบัญญัติชื่อชื่อเรียกมาแล้วชื่อในกออ้วนกออ้วนขอมาทีเดียนี่เป็นไรนี่ชื่อในบัญญัตินะฮะยักนาการมาอย่างนี้เออ อีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่าพระขันชัยนะฮะถามมาขอฟังเหตุผลกล่าวว่าการแตกแยกเป็นหลายๆนี่กายเป็นเครื่องหมายให้เห็นทั้งความเจริญของศาสนาอีกสักครั้งเพราะอาตมายังไม่หายแข็งใจเลยเพราะอาตมาได้ยินมติของอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาแสดงมติของท่านในพางตรงข้ามกับมติของอาจารย์คือว่าพระพุทธศาสนาไม่มีกายเลยนะเจ้งเลยเจ้งคืออย่างไรยกตัวอย่างศาสนาพุทแผรบาลีทิเบตอ้าวหวมมัวมหวมวกก็ไม่ได้ผมหนังสัตว์ก็ไม่ได้ นุ่งรองเท้าหนังตัด ก, ก็ไม่ได้เพราะเป็นเทระ ว, าา ว, วา่าสิ ม, มีนิการเดียวเทระวาดแข่งสิพระสวมหมวกเป็นอาบาัตบตัดทุกกรดอ่ะอ่าไม่ได้ ไ, มม ไ, ไ, ดไปสวมหมวกไปด่าพระไปสวมรองเท้าอย่างคดิหัดคุ้มคุ้มแข้งขึ้นมาไม่ได้อีกโกโลกัตชะเหมือนอย่างเหมือนอย่างคดิหัดก็สวมอย่างนี้ศาสนาพุทธอยู่นที่เบีดไม่ได้ที่เบิดมืองหนาวมันที่หมวกแรงๆสมูกกรุดสมูกกบัญชาขออภัยเวลาปัสวะถ่ายพุ่งทายคูดนะฮะบางทีปัสวะเป็นน้าแข็งเป็นแข็งออกมาเลยต่อมือถักน่ะ ความหนาวจริงๆแล้วลองสิไปไ ป, ไ ป, ไปผปสวมใจจีวรอย่างเราอย่างภาคทางเอเชียทางภาคร้อนนี่สิไปอยู่ในที่เบตสิมีหวังตายแน่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องจาเป็นแก้ไขสิขาบทปรับปรุงให้กับเข้าก็สิ่งแน่ร้อนอนุญาตให้พระสวมหมวกหนังสัตอนุญาตให้พระคล้องจีวรหนังสัตวอ่าอนุญาตให้พระสวมรงเท้าหุ่มแข่ป้องกันความหนาวเมื่อเมื่อแก้ไขสิขาบทแล้วก็ต้องแยกมีกายกระเทลว่าซึ่งเป็นมีกายเคร็งกว่าแต่เดิม นี่กายธนาวาัตรก็บอกฉัว่ากแกไม่ได้แล้วอยากไปแบบนี้เพราะฉะนั้นข้าเราจะมีแต่นี่กายธนวาตร น, นี่กายเดียวนะตักน้าพุชเผยแถ่เฉพาะมุงร้อนไปที่เบสใจมึงจีนไปไซบีเรียไปญี่ปุ่นไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้นี่จะไปได้ก็เฉพาะมีแต่พระธรรมไปแล้วก็เอาพวกคาุหัสอนุศาสนาจาร์เราก็ไปได้จะให้มีสังขรารสนะไหนจะไม่ได้แนะ่เพราะฉะนั้นภูมิประเทศดินฟ้าอากาศอนะ่ะมันบังคับมาในตัวที่ให้ต้องแยกนี่กายออกไป ปรับปรุให้เขาเข้ากับกาลเทศกาสถานการณ์นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งขำนวณพมุนประเภทมีในท้องถิน่นแต่และประเทศแต่และถิ่นไม่เหมือนกันศาสนาพุทธเราเนี่เป็นศาสนาที่อลุมโมโหรี่ที่ดีที่สุดเราไม่ได้ไปตั้งข้อแม่ว่าถ้าใครนั่งคือพุทธแล้วจะต้องไอของต่าวัฒนธรรมกับประเภทนี้เก่าที่มีอยู่ต้องเลิกหมดต้องมารับแต่เฉพาะพุทธอย่างเดียวเราไม่ไหวนั่นนี่น่ะพระเจ้าเองจะทําเป็นตัวอย่าง ย่งเช่นกระนูบางเินตะบะที่ผมเคยมาอ้างเห็นไหมที่พระองค์ตรัสดวาระตัดกับตะบะตะบะบางอย่างถ้าทําไปแล house, teen, ้วไปทุก like ติวินิบาตนรกพระองค์ก็ติเตียนแต่ตะบะบางอย่างทำไปแล้วเข้าถทุกขติพระองค์ก็สรรเสริญนี่ไม่ได้ไม่ใช่ตำหนิติเตียนหนึ่งประเพนี <ni> ้ก <Premier> so, in yeah. ่าเขาตะพุทธเถือพราะเหตุนั้นพอศาสนาทุกแผเข้าไปต้กลับตัวเองให้เข้กับประเพณีในห้องถิ่นเช่นคาในมึงจีนมึงจริงก็มีศาสนาขงตืงอศาสนาเต๋าอยู่ก่อน พุทธเราก็ไม่ได้ไปตั้งตัวในศัตรูกับศา ส, ส, สนาเดิมเขาเราก็อารุณอารมณ์เข้ากระขงซื่อเข้ากระเตา่าคติธรรมใดที่เขามีดีเราก็รับรองคติธรรมใดที่เสียเราก็ตัดไปไม่ใช่ไปตัดกันทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้นินการ์เบนที่ในอินเดียก็ลังเกียจจ้าแกนอกกรีฑาต้องไม่ใช่ระหว่าอย่างชั้นอย่างนี้ตัวจนรับคติธรรมวินิท้องศีลมาค น, นตัวได้แล้วไม่เอาแยากมีกายไปถ้ามไม่ยอมแยกศาสนักพุทสั่งในมือจีนไม่ได้เข้าไปถึงไปขัดขวาง พระเทนี้ดั่งเดิมเข อ, อย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกาละเทศะสิ่งเ า, งาริรอดขําหนดีประเทนี้จนเหตุให้เกิดนี้กายแยกกันในตัวศาสนาพุทธจิงการเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทำให้ฉะนั้นก็มีคนามาคิดวิญงร่ อ, อนด้ไอ้มุนจินก็ไปได้ตัดมุนจีนออกตัดจีนฝูนออกตัดที่เบสออกตัดมัตต์มองโกเลียออกหรือแต่ในตัวอินูจีน5้นนนนนาประเทศนี้ก็พอแล้วแล้วมันจะไปไปเผยแผ่ที่ไหนกันอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่า การที่สกนพมีนิกายเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็เป็นแสดงเห็นความเจริญก้าวหนังสกนพุที่มีนิกายเยอะๆเนี่ยแต่อีกแง่หนึงก็บอกว่าเป็นความเสื่มแต่ความเสื่อมน่ะนี่น้อยให้น้อยมากเจริญนี่สิมีมากกว่าความเสื่อมข้อเจริญหรือไม่เสื่อมมันก็เป็นเสื่ออยู่แล้วมีสังขารละรันอุปาชาติสี่พันข้าจะได้น้อมน้อมเรื่องเสื่อมอยู่แล้วแต่ในแง่ของตอนเจริญนี่เราได้ผลมากการที่แยกนิกายออกไปเนี่ยถ้าไม่แยกก็อีกฝีจะรัดตัว อยู่แค่มึงรอดแล้วก็เสร็จกันเลยแต่มึงหนาไม่ได้เลยเผื้อแผ่มึ ง, มงหนาวไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นหนาะวเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยหักนับพุทธศตแทรหลายในอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะ่ะไม่มีพวกเคลืล่อนไ่วไซโลไม่มีเลยผู้หาอย่างไปทั้งนั้นแหละทำไมล่ะเขาจับตัวก็บสิงแวดล้อมได้เคลืวว่อนไหวเรามัวโ ม, วมวแต่คํานุงเนี่ยรักษาพระวินัยเนี่ยเราก็ไปผื้อแผ่ในดินแ ด, น เ, ดนเหล่านั้นไม่ได้การปรุงอยู่ก็ลาบากนี่การ การที่จะเสนาสนะเอผู้ปุณณิบัติวัดถาเอยอะไรต่างๆลาบากหมดปัญหาศิขาบทเนี่ยศิขาบทเหล่านี้พระองค์ทรงมันอยากในอินเดียในครั้งพุทธกาลนี่โลกเปลี่ยนแล้วการเวลาเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นผู้มหายาเขาไปโผยแผ่ในอเมริกาดีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเทรวาลวรองปู่วินัยด้วยนะพระธาตเทรวาตูจะมาเลิกปูวินัยแล้วก็ไม่ใช่ภาตุเทรวาตแล้วองนิกายใหม่แล้วไปแล้วไปเป็นมหายาแล้วองนิกายได้เป็นสังกัดมหายานถ้าเราเป็นเทรวาตเราก็ต้องยืนหยัดรักษาต่อติดตึงเทรวาตเอาไว้ คืว่าต้องรักษาผู้วนให้เข่งครับแต่ถ้าเราลองจะวลบทอ น, นพระวินัยก็โอมีกายได้ไปอยู่เป็นมหายานอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ ห, าห้ามหวงรอกแล้วเราไปคาแถลสบายไปอเมริกาก็ดได้ไปอะไรไปโนโรงแรมก็ได้อยู่โรงแรมเข้าโรงแรมอยู่ไปอลไรต่างๆได้สบายถ้าเป็นนิกายญี่ปุ่นแบบมหายาณเราก็เพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าศาสนาพุทธเจริญเนี่ต้องอาศัยช่วยกันหลายนิกายช่วยกันแตกแยกสาขาออกไปก็เข้าเข้ากับว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วลูกเหล่านี้ก็ ไปตั้งตัวทำทุนในมุมตามทิศ ต, ต่างๆเนี่ยชื่อเสียงก็แพร่หลายกิจกรรมการค้าพ่อแม่สูงดูมีล้านเดียวก็อยากเป็นสาขาหลายหลายล้านแล้วแต่ละล้านเนี่ยในท้องถิ่นต่างกันก็ต้องมียี่ห้อบางเครื่องหมายบาง ก, ากันบูรการได้ให้เข้ากันได้กับระเบียบตามต้องการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆพวกตัวอย่างเช่นว่าเราพ่อแม่ให้ทุณเาา ร, า, า, ร า, าเราไปตั้งการค้าในในคุยแอฟริกาแต่ก็เอิญไปตั้งทิด ไปตั้งร้านดัดผมในแอฟริการับรองเจงพ่ออะไรแขกนี่กลทุกคนเลยยุ่งวะชายผมหยิกทุกคนหยิกเป็นก้นหอยเลยนี่เกรือไม่มีคนไหนผมเหยีบไม่มีใครไปตั้งร้านดัดผ ม, ผมเช็ดผมในอเมอริกาแล้วก็หงายทองเลย <c oughs> เจงแน่มวนเสือตรงข้างเราได้คุณจากพ่อแม่แล้วต้องไปตั้งร้านทำให้ผมเหยีบใครผมหยิกมาร้านนี้มีน้ํายาโคมีทาแล้วผมเหยียดอย่างนี้ว่ากิ จ, ะจะกรรมการค้ามั่งมีเลยนี่ เพราะนั้นมุ่งเป็นอย่างนี้แล้วร้าก็ต้องปรับปรุงตามสิ่งรอบ้อมอย่างที่ผมว่านี่เลยครับข้อสองในคำบรรยายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตอนหนึ่งของอาจารย์เองความว่าในชมพูทวีปมีการโต้คารมกันในข้อธรรมอย่างเอาจริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นอาตมาอยากทราบเรื่องราวดังกล่าวมีบุคคลชื่อใดอ่ามูลไหนบ้างที่ว่าโต้กันถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันโอ้ยมีเยอะแยะเอาเรื่องในในพุทธศาสนาเราเองนี่แหละอ่า ไปต่อว่าในสมัยพศ1 2 0เศษาสนาพราหมุนลุกเป็นที่พวกเรามัวแต่เป็นอาจารย์ขังพระที่ศาสนาในอินเดียขั้งพศ1200นะนี่กายมนตรยานเอาแต่เป็นอาจารย์โรงเล่กลงยันคําพิมพ์พระเครื่องรางเสกน้ํามนต์เสกเป่าเรื่องการศึกษาหมดแล้วไม่เรียนก็แล้วปฏิญญาไม่เรียนนะเป็นอาจารย์ขังหมดแล้วพระในอินเดียแค่มาคดทั้งศาสนาพราหมุนเขาปฏิรูปศาสนาใหม่เขานักในการศึกษาอบรมพวก ครามให้เป็นนักโผล่แผลนักตัววาทีแต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาในแผ่นมาคต์เป็นอาจารย์ขงังตัววาทีก็ไม่เป็นหัวหน้าครามสองคนชื่อกุมารีระพัฒนาจารย์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นชื่อสังตสวามีเดินทางท้าพระต ว, วาทีตามวัดต่างๆบอกว่าถ้าแพ้ถ้าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแพ้ต้องยุบวัดของตัวเองหรือไม่ใช่ก็อาไฟเผาวัดตัวเองเป็นโดนพันและท่าเหล่านี้ต้องโอนตัวเป็นพามถ้าชนะ สังกรสวามีกับกุมารีระพัฒนาจะเอาศิษย์ตัดเป็นเดิมพันให้เพราะรู้แล้วว่ายังไงไงพระภูมินี้ก็สู้ตัวไม่ได้เพราะพระพูกนี้เป็นอาจารย์ขังนั้นไม่ใช่พระที่มีภูมิรู้การศึกษาสูงในแง่ปริยตัติที่จะสามารถแก้ประลระเวติหรือคุ้มครองศาสนาได้เพราะฉะนั้นกุมารีระพัตนาอาจารย์กับสันกัสวามีจึงบังอาจพ า, า, า, าคณะสงฆ์ในควันมะขุตวาทีผลก็คือพระถึงห้าร้อยลูกต้องกลายเป็นฟามแพ้เขาหมด วัดจำนวนบี้สิแผงเนอารามใหญ่ถูกเผาไปทีน่าทึ่เพราะไปแพ้ตัววาธีเขานี่เป็นเรืเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในพศหนึ่งพันเศษหนึ่งพันเศษที่มหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งในนั้และพุทธศาสนาซึ่งเป็นการศึกษาอย่างรุ่งเรืองในศาสนาพุทธเต็มที่พรามในนิกายลูกายตะคนหนึ่งไปทาพระในนารันทาตัววาธีบอกว่าท้าท์อด ค, คะเขาจะตัดสิทธะให้กับพระพระอื่นเวลานั้นน่ะในนารันทานะมีพระองค์หนึ่งเป็นพระจีนเดินทางมาศึกษาในนานารันารทาพระองค์นี้คือพระพังปัญจมีความรู้แต่ฉันทั้งมหายานหินยานทั้งนาน า, าศาสนานานาประชญารู้หมดทั้งนารันทาคณะอาจารย์ของนารันทาก็ลงมติเลือกท่านผู้นี้ไปตัววาทีกับอิธฉามคนนี้ตัวกันอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนอิธฉามคนนี้ ยอมแพ้เตรียมพร้อมเอ า, อาวุธมาทสเบอกนี่มนุ์ท่านผักคอผมได้ผมแพ้ท่านแล้วท่านทั้งรำจังท่านเหียงจังบอกว่าฉันไม่ทำหรอกสมณศักยบุตรไม่ทําปาณาติบาตเพราะฉะนั้นฉันไม่เอาชีวิตแกหรอกเอาเพียงแต่ว่าให้แกเปลี่ยนใจมันถึงศาสนาพุทธก็พอแล้วยอมเปลี่ยนไหมาอานี้เป็นเดิมพันท่านอนะพรามคุณนี่ยอมเปลี่ยนนี่ในรายนี้ศาสนาพุทธชนะศาสนาพุทธชนะในรายนี้นี่เอาพรามคุณนี่ยอม แปลว่าพรามเองมู้แพ้แล้วก็ยินดีจะตัดถัวตัวเองตามคำท้ามักันนะนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างนะครับอนักศึกษาเลขที่สิบหกถามมาว่าร้อหกสิบห้าถามมาว่าโลกุตรธรรมเกิดได้ในภูมิใดบ้างเหตุใดจึงว่าโลกุตรธรรมนี้ไม่เกิดในอบายภูมิเออก็แน่สิครับโลกุตรธรรมนี่ยในภูมิใดที่ เกิดได้ทุกภ er huh <rove influencers S 1> ูม no ิเว in <laughs> ้นอบายภูม <loc> ิส enfin ี anyway. ่แล้วก็เว้นอสัญญีสัตตาพรมอสันญีส <wh> ัตาพรมก็ในรูปรูปาวเจระภูมิแต่เฉพาะในภูมินี้จะต้องเว้นเว้นเฉพาะอสัญญีสตานะนอกนั้นเกิดได้หมดเพรอบายภูมิเนี่ยเกิดไม่ได้ที่เกิดไม่ได้น่ะเพราะเหตุว่าปฏิสนธิเป็นทวิเหตุไม่ใช่ตรเหตถามว่าทำไมอบายภูมิเกิดไม่ได้เพราะปฏิปฏิสนธิตัดในอบายภูมิน่ะเป็นทวิเหตุกับปฏิสนธิผู้ที่จะทํามรรคผลเจริญฌานสมาบัติได้จะต้องติเหตุกะ ปฏิที่บุคคลแล้วสตบมันติใหุ้กขะอุกตะด้วยใหุ้กขะอุกตระบุคคลด้วยจะทำมรรคผลเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นข้อแตกต่างกับพู้ง่ายๆเราตอกง่ายๆบอกว่าภูมิใดก็สัตย์ใดก็ตามที่ปฏิสุธที่โดยใจเหตุแล้วสัตย์นั้นจึงจะทำมรรคผลได้นะแต่ถ้าสัตย์ใบปฏิสุธที่โดยทวีเหตุแล้วทำมรรคผลไม่ขึ้นอันนี้ก็เกิดจากได้ว่าปฏิสุพที่เป็นเหตุนี่ท่าจะว่าแล้วนะมันมี อันตรายหลายอย่างกรรมทิฏฐันตรายกรรมมันตรายกิเลสันตรายวิปากันตรายอันนี้เปวิปากันตรายสัตวแอไบยภูมิเนี่ยจัดเป็นวิปากันตรายต่อมรรคผลอันตรายเกิดจากวิบากเพราะปฏิสนธินี้เป็นวีบากวิบากของชาติจัก่อนรดิผู้พันเบื่อทําอคตุรกรรมชั่วอปฏิสนธิเดียอุเบกขาสันติรณะแล้วเป็นทวิเหตุหมดจึงเป็นวิปากันตรายห้ามมรข่ำผลอไบยภูมิห้าอสังมีสตาเล่าเพราะไม่มีจิตจิตไม่มีมีแต่รูป ลูกประคันเหมือนคนลูกฟักกิ่งไม้่ก็กริ่งมาถ้าไปไปเกิดในอิริตายในอิริยาบถนั่งก็ไปเกิดในอสัญญีเป็นลูกหินหนัง่งทนโทษถ้าตายในอิริยาบถนอนไปเกิดในอสัญญาสตาก็นอนคมโทษนี่คมีความรู้สึกนี่คความรู้สึกและมรคนจะเกิดได้อย่างไรมรคลนี้ต้องเกิดกับยานพัฒน์สมณะเห็นไหมะแม่อสัญญสาสตากจึงจะมีปากันตรายถึงแม้จะเป็นปิหิตปิหิตกลับปถะงสมี่ก็เหอะ ว่าสี่งปฏิสุทธิ์ที่แบบดูเพราะใจเหตุอย่างแรงแต่เวลาขณะปฏิสุทธิที่แห่งอสัญดาสัตว์นั้นกิตติมีเนี่ยมีแต่รูปปฏิสทุทธิน้ำมาปฏิสทุทธิไม่มีเมื่อน้ำไม่มีแล้วมรุ่งขุมก็เจริญไม่ได้ข้อสองทำสองข้อนี้ต่างกันอย่างไรและสัมพันธ์กันหรือไม่ประการใดหนึมนุสังเจตนาอ า, า, าหารวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารน่าเอาความแต่ว่ามนุสรรเจตสัรเจตนาอาหารน่าหม้ทั้งเจตนา ที่เป็นกุศลากุศลกรรมนะฮะที่เป็นรูปาวจ ร, รกุศลกามาวจระกุศลอรูปาวจรกุศลเนี่ยพวกนี้ายว่าเจ ต, ตนาที่เป็นไปในกามาวจรในรูปาวจรในอ ร, ร, รูปาวจรเป็นมนุษย์เจ ต, ตนาโมดส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยนะก็าูกเรืยกหมุนกับหนึ่งความรู้สึกในไอจตนะเนี่ยรับสัมผัสกันกับอารมณ์ภายนอกแล ะ, ะปฏิสนธิวิญญาณอันนี้ก็สูงขึ้นวิญญาณอาหารได้แตกต่างกันข้อสมที่ว่ารูปภูม ไม่หายใจพะไม่ได้บริโภคกวาลีกระหานนั้นสัตวนรกก็ไม่ได้บริโภคกวาลีกระหานเหมือนกันทํำไมยังต้องหายใจอสัตว์นรกอย่างนี้ครับสัตว์นรกถึงแม้ไม่ได้บริโภคกวาลีกระหานแต่บางเหล่าก็บริโภคนะไม่ใช่บริโภคไม่ได้บริโภคหมดนะกินน้ําลายตัวเองกินน้ําลายตัวเองดื่มดื่มกินน้ําลายตัวเองสงเคราะห์เป็นกวาลีกระหานหมืนกันน้ำลายนี่ ข้อสี่จุงจุงอะไรครับแจ้งความหมายของคำว่าอะไรครับมันทายุกะอมันทายุกะมัชชิมายุกะต่างกันอย่างใดใช้ได้ในที่ใดอันนี้นิมนต์ขอให้ไปอ่านในหนังสือบทดียร์อภิธรรมเพราะเกี่ยวกับตัวเลขใครเกี่ยวกับแยกแยกตัวเลขผมไม่ได้จำตัวเลขมาอันนี้นะครับเห็นจะหมดแล้วนะครับ มีอ่าอโลพะอโขละแล้วก็มีอ่โมหะเป็นปัจจกกัยก็เป็นเป็นเป็นท่าอิเหตุปฏิสนธิส่วนอหิษฏิล่ะแย่เลยยิ่งแย่ใหญ่อหตุกัปปฏิสนธิยิ่งแย่ใหญ่สัตนาบายภูมิน่ะบางลาปฏิสนธิโดยวิเหตุบางลาปฏิสนธิโดยอเหตษฏุกัปฏิสนธิมีสองอย่างนาบายภูมิทั้งเหตุปฏิสนธิบุคคลนนะ่ะเช่นพวกภูมิเทวดาชั้นต่ําแล้วก็เหมือนอย่าเข้าเป็นอาบายหรอกพวกเปรก บ, บางรา เปรตบางเหล่าที่เป็นวูมานิกระเพลตเนี่ยมียศถาบรรดาักอย่างกเทวดามั้งกันแต่ถ้าว่าเป็นอบายภูมิอย่างนี้อย่างภูมิเทวดาชั้นต่ำนี่ปฏิสมที่ทวิเหตุแล้วก็มนุษย์ปฏิสมัที่จะ ท, ทวิเหตุทำมรรคไม่ได้มนุษย์อีกเหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันเทวดาที่ปฏิสนธ์ที่จทวิเหตุอย่างพภูมิเทวดาบางเหล่าทำมรรคก็ไม่ได้ แล้วก็อเหิบุกะปฏิสนธินี่ถึงยิ่งซ้ำยิงล้ายยางทวีเหติอเหิบุกะแล้วสัตนรกทุกประเภทเป็นอเหิบดีรฉานทุกประเภทเป็นอหิบนะฮะอสุรกายและเศษส่วนใหญ่เป็นอเหิบุกะปฏิสนธิส่วนน้อยเป็นทวีเหตุส่วนใหญ่เป็นอเหตุอเหิบุกะปฏิปฏิสนธิพวกนี้อเหิบุกะปฏิสนธิน่ะไม่ใช่ไหมก็ว่าไม่มีโลกกดหลงปฏิสนธิแต่ไม่ใช่นะคําเนี้ย คำนี้เนะี่ยไคุ้งข้าวซิวปฏิสนธิโดอุเบกขาสันติระนาจิตไม่ประกอบด้วยปัญญามีน้ำซ้าปฏิสนธิด้วยโลกบั่งโคบ้างห ล, ลงบ้างเนี่ยปฏิสนธิอย่างนี้ไม่ประกอบด้วยเหตุที่เป็นกุศลจึงเป็นไอเหตุปุกะเพราะเหตุ น, นั่นโคดนี้จึงไปปฏิสนธิในอบายภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวนรกจิตในขณะนั้นน่ะที่เป็นเอาวิบากอันนี้ไปเดีวยวว่าอเหตุปกละปฏิสนธิบุคคลไอเหตุปุกละปฏิสนธิบุคคลแล้ว ส่วนมากก็ได้แก่ฝาแฝดใบย่อยภูมิทั้งหมดส่วนแล้วกับมนุษย์นี่ก็เป็นได้มนุษย์ที่เป็นอาเหตุกกะก็มีปฏิสัมพันธบุคคลเนี่ยถ้าวิเหตุ ก, ก็มีถ้าเป็นปลายเหตุแล้วทำมรรคผลไม่มได้นอกนั้นทําไม่ได้อ่านักศึกษาเลขสี่สี่สองถามมาว่าขอให้แนะนําหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาะถ้านักศึกษาจะซู้มีอยู่ที่ไหนใครเป็นคนแต่ง พวกาิพุทธศาสนานี่ผมก็แต่งอยู่เรื่องหนึ่งเป็นคำบรรยายแล้วก็มีเรื่องภาษาพุทธศาสน ป, ประวัติแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นหนังสือฉลองยี่ิศตวรรษที่รัศมีอินเดียทําขึ้นฉลองพุทธเชียนตีนักศึกษาที่ม้ามากุูดได้ปริญญาและทําเป็นวิแปรเป็นวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญามีเร่มงหนึ่งเร่มงสองทั้งหมดนี่มีจํานาที่หน่าวรัตวานิเวศม้ามกุูดนะฮะสมุนพระกุเมนข้อสองอาจจะมาขอเรียนถามอีกที่ อาจารย์นันเพนตนเป็นชายโสดไม่มีไม่ยอมมีครอบครัวนั้นมีอุดมคติอย่างไรไม่มีอุดมคติอะไรทั้งสิ้นครับข้อสำคัญอยู่อันหนึ่งคือว่ากลัวกลัวไทยกลัวไทยของวัฏตะเห็นไทยของวัฏตะแล้วว่าการคลองเรือนเนี่ยเป็นที่มาของภูริจริงๆไม่เป็นช่องของความปลอดโปร่งหรสบายจะได้เลยตัวของตัวเองน่ะแบกขันข้าของตัวเองเนี่ ย, ยทุกนักหนาอยู่ทุกวันนี้ละหมากละบนขีดช่ำอยู่ทุกวัน เพราะอะไรเพราะไอ้ความรักตัวมีมากเนี่ยจิงไม่ยอมให้ตัวเองเน่ยไปแบกขันห้าอินจนติดขันยี่สิบขันยี่สิบห้าขันมาแบกไม่เอาตัวเองแบกตัวเองก็กุมใจตายคออยู่แล้วไปแบกอีกตั้งสิบขันยี่สิบขันแล้วก็ตายเลยเป็นภาระที่มาทับตัวเรานี่ยแบกแต่ติดดินติดดานเลยไม่ไหวไม่เอาเพราะรักตัวสงวนตัวแล้วเห็นภัยจิงไม่ยอมเอาตัวไปเกลือกตัวไอ้ของอ่าเป็นอาจุลของสุขภัณฑ์โสมุ่งอย่างนี้ มาตุภามันคือของตกๆอาจี้เราลักตัวของเราไม่ยอมนี่อันหนึ่งอีกอย่างนึงเราต้องเราต้องต้องทำบา ร, รมีถ้าคนเราไม่มีอะไรความดีในตัวติดตัวเลยทีนั้นจะเป็นบา ร, รมีใช่ไหมฮะเพราะนั้นการประพพรหมจรรย์เนี่ยผู้ที่จัดสัตว์ไหวหลายแบบพระพฤติพรหมจรรย์บางแบบนี่นะเหมือนหนุ่มคนไข้ยอมอดของแสลงนะรู้แล้วว่าไอ้ของนี้เราก็อยากกินมันอร่อย แต่เพราะเราลูกครูว่าถ้าครูขืนกินของนี้แล้วลูกคูต้องกําเริบชีวิตเป็อันตรายเพราะความห่วงตัวห่วงชีวิตจึงไม่ยอมแตกของแสลงนี้เพื่อหวังผลคือความหายโรคฉันใดธงประจั์บางอย่างกระทุไปก็เพื่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยคือต้องมีขื่อแลกเปลี่ยนคือแลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรล่ะที่เราจะแลกเปลี่ยนที่เรายอมอดทนรักษาอย่างนี้คืออะไรคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่สิ่งที่แลาเปลี่ยนคืออะไร คือความพุ่งทุกในที่สุดพุ่งง่ายๆว่าคือมีพานเพมีเป้าหมายคือมีพานแต่ไม่ใช่ว่าอยากได้ในชาตินี้ในชาตินี้อย่างก่อนยังไม่ได้เพราะยังวิพัฒนาก็ไม่มีสมาธิก็ไม่เคยทามันมีสมาธิเลยผมไม่มีเลยวิพัฒนาก็ไม่เคยลองไม่มีเลยอเป้าหมายคืออะไรเอาปุ่นบารมีถึงแบบไปเกิดในชาติบูสิษฐ์หวังกลกสณาไปเกิดในดูสิษฐ์เทวโลกไปเข้าพระเสดยจแม่ตรายพุ่งง่ายๆเพราะนั้นวิพัฒนาเออไม่อยากติดพุ่อยู่ยังมีตัญหาเพราว่าปัญหาใช่เพราะว่าปัญหารับมี พ่อไม่อยากโูหกตัวเองว่าฉันจะเป็นอริยะในชาตินี้ยางรู้ตัวเองบรารมียังไม่ถึงแม่อริยะเพราะนั้นก็ไปกาะชายจีวันพสีอาร์มโน่นไปเกาะท่านวายแล้วก็อธิษฐานปิดอบัยภูมอมัยภูมสีมนันรู้สภูมิหนยามเมื่อกลืนอีคนอันขาดเจอห้าภูมินี้เป็นอันตัดขาดเลยบรารมีทุกๆเดือนก็ปล่อยปลาที่ท่าเตียนนาวะโถปล่อยปลาดืนละร้ยบาทร้อบาทเป็นประจำทามาตั้งแต่9ปีแล้วพอปล่อยปลาก็ตั้งเจริอธิษฐานเพรเดชะอนุภาพผลอภิญทานที่ข่าทำครั้งนี้ให้เป็นพระว่าปัจจัย ในชาตินี้ให้ประพฤติพรหมจรริ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ได้มีให้ได้มีสติปัญญาในการเผยแผ่พุทธศาสนามีศีลสมาธิปัญญายิ่งๆขึ้นแล้วก็หมวกจะตายให้มีสุปภชัญญะบริบูรณ์เมื่อตายแล้วก็มนุษยภูมิหนึ่งอมายภูมิสีอย่ามักดุอีกคนอันขาดกิเลยพอแล้วให้เด็กเกิดเป็นคําครูสกาของเสียอิยาเมตรายภูริสัตย์ปดุสิแล้วก็บรรพณ์เป็นภูหมจรรย์บน น, นู้นตลอดไป กระทั่ ง, งพุทธิอานมาตรเป็นพุทธะเมื่อไรฟังธรรมพระองค์แล้นนเป็นอรหันเลยสบายเลยสิไม่ต้องกังว <c oughs> เ, เกิดไปหน้าอีกชาเดียวอีกเกกิิดดเเป็นเทวกายฟังธรรมพุทธิอา น, นเป็นพุทธเจ้าแล้วแล้วเป็นเนข้าเป็นอรหรัตนตรเตรเป็นอรหันเลยเราต้องมีความหวังในชีวิตเราอยู่ในความหวังนี่ครับเพราะฉะนั้นชีวิตของผมก็อยู่ในความหวังอันนี้แหละความหวังจะมาเกิดในดวงติดข้อสาม ขอให้อาจารย์อธิบายคำว่าอุปนิสัยอัธยาศัยวาสนานิสัยมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรความหมายไม่แตกต่างกันเลยครับเป็นวพจท์แก่กันเลยไวพุทแก่กันเลยอันนี้เป็นไวพจทแก่กันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างตบบั้อันนี้ท่านท่านผู้หนึ่งถามมาบอกว่าทงางศาสนาคริสสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือผู้นับถือเช่นเด็กไวหว้น้าไม่เป็นาศาสนาคริสช่วยเด็กที่เด็กไหว้ไม่เป็น าศาสนาพุทธอนให้ช่วยตัวเองเด็กทุดจะไม่ตกน้ําตายหรือเราจะแก้เขาอย่างไราศาสนาคริสน่ะอ่าจริงหรือว่าช่วยพระเจ้ชาเช่วยเราทุกอย่างจริงหรืก็พาสิเตรของฝรั่งเองก็มีคูดแรมไม่ใช่หรือว่าจงช่วยตัวที่เจ้าก่อนและพระเจ้าจะช่วยตัวเจ้าเองในภายหลังหมายความว่าแม่คุณจะนับถึงพระเจ้าอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยอย่างว่าต้องช่วยตัวเองก่อนคือช่วยตัวเองให้เป็นคนมีเรื่องใจในพระเจ้าก่อนใช่หรือไม่ พระเจ้าท่หาว่าทุกสิ่งพระเจ้าช่วยแล้วก็พระเจ้ามันมาดนใจทุกคนที่มันไม่นับถือว่าองค์เห็นนับถือพระองค์ึ้นมาในทันทีล่ะอ้าวถ้ามีฤทธิ์เด็ชอํานาจจริงนั่นแล้วก็อนี่แสดงว่ายังต้องอาศัยการหุแ้แพการปูประการบ้าการเกลี่ยกล่อมเอาวัตถุมาหลอกคุณจึงมาเลื่อมสายและคุณี่มาเลื่อมสายเนะ่ยอย่างนั้นเขาต้องตั้งความเลื่อมสว่าฉันจะรลื่อมสายพระเจ้าล่ะและฉันจะลงมืออ่อนวอร์สารภาพบาปนี่เขาช่วยตัวเขาเองแล้วอัตตาหิอัตุนามอั ต, อตโมนาโผล่แล่าตอนนี้ต้องช่วยตัวเองคือช่วย ช่วตัวเองในการที่จะลงมือคุกเ ข, ขาอ่อนวนพระเจ้าอะแต่ก่อนเมื่ออ้อนวอรเจ้าแล้วก็เจ้าก็ช่วยเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้มาอ้างบอกว่าศาสนาคริสตนะ์น่ะช่วยเด็กปกหน้าศาสนาพุทธนะ่ะให้ช่วยตัวเองเด็กปกน้ำแก็ตัวช่วยตัวเองช่วยไม่ได้ไม่จริงศาสนาพุทธสอนพุธทธัรรคดานังกระชามีอาไวรทำไมแต่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของของเราก็ทํารมเที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งอย่างนี้หมายความว่าเป็นที่พึ่ง ที่จะชี้ทางคนคุกค่กับเราเกลียบเหมือนเราเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะอ่าเด็กที่สอบไล่สอบไล่ได้เนี่ยการที่เด็กสอบไล่สอบไล่นะ่ะเพราะครูบอกข้อสอบให้ยอย่างนั้นหรือหรือครูเขียนคําคําตอบในข้อสอบแทนวางก็จะปรากฏว่าเด็กนั้นต้องอาศัยกําลังกัสบสติปัญญาและวามทุงจําที่ตัวเรียนมาในการสอบไล่แต่ว่าความรู้ที่เด็กมีน่ะมาจากใคร จากครูใช่ไหมถ้าครูไม่สอนใม่บอกแล้วเด็กมันจะรู้ขึ้นมาไีมถึงกระทั่งสอบไล่ได้เชียวหรือเป็นไปไม่ได้พระพุจะจทธเจ้าพระพุะทธธรรมสงฆ์เหมือนครูก่อนที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยต้องอาศัยท่านอาศัยพระพุทธธรรมสงฆ์ที่เป็นครูนี่แหละมาสอนเราอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอาศัยพระพุทธธรรมสงฆ์ทั้งนั้นเราถึงจะมีความรู้ชั่วยตัวเราเองได้ใช่ไหมถ้าไม่อาศัยพระคณะไกลแล้วเราทีนม้นจะมีความรู้ชั่วตัวเราเอง เหกเด็กนักเรียนเนี่ยทำไมเข้าโรงเรียนขึงความรู้ครูบาอาจารย์ในหูถ่ายทอดแล้วทีนั้นจะสอบได้ปัญญาดีกรีเป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์ออกมานี่ก็แปลว่าพระรัตนตรายนะี่ะเป็นที่ขึงชาวพุทธเป็นที่แล้วแต่ในขั้นที่ในขั้นท้ายชาวพุทธเราก็ต้องขึงตัวเองคือไมายความว่าในขั้นที่จะท้นทุกข์ขั้นถึงนิพพานต้องปล่อยวางนี่มด่ด้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราไปตามเราก็ต้องวินาที่สุดท้ายที่เราบรรลุอราหารันตผลไปตามเรามาเ้ื่อย ตอนนี้พระเจ้าของขเข า, าก็อ้างบอกว่ า, วาเด็กตกน้ําแล้วพระเจ้าช่วยทุกคราว้าเป็นเราเราจะอย่างไรดีคือเป็นเด็กที่มีผู้ใหญ่สอนกระทั่งเราว่ายน้ําแข็งว่ายน้ําเป็นช่วยตัวเองเราดีหรือว่าไม่คือมีคนสอนให้ว่ายน้ำเราก็เหมือน ไ, ไม่เด้เรียนเราหวังเผื่อว่าเราตกน้ําที่ไรก็มีคนคอยช่วยเราทุกครั้งในกรณีสองรายนีใครงูใครฉลาดเราย้อนถามว่ อ, อย่างนี้ก็แล้วกัว่าใครเป็นคนงูใครเป็นคนฉลาดเอาละนี ครูคนหนึ่งงครูอสอนไหว้น้ำบอกฉันม่สอนแกนะสอนแกหว้น้ำวันีวหว้น้ำเวยตัวเองได้ตลอดชีวิตมีน้ำสอนคูแกเองอาจจะที่กับคนอื่นถคนอื่นดูแลตกน้ำได้ด้วยกับคูอีกคนนึงบอกว่าฉันไม่สอนแกเราวิสีไหว้น้ำตผูกขาดเฉพาะตัวฉันแต่ว่าแกุกน้ำที่รยกขอตะกูลูเวีชันก็แล้วกันแต่ถ้าฉันมาโดยยืนช่วยไม่ได้นะแกตกน้าตายเปล่านอย่างนี้เราจะเลือกครูคนไหนสองคนนี้เราก็เลือกครูคนนี้ไหูวิชา่ายพวิชาใกับเราช่ไายอดก็ตั้งให้เรานี่ยไหวน้ำเองตัว เนที่คุ้นกัตัวเองได้ใช่ไหมล้วครไม่นเป็นเรื่องเอาไอ้ครูที่มาบอกว่าถ้าไม่สอนแกเราไว้แคร์สุดหน้ามื่อไรแกสกูลเรียกให้ันช่วยไปแล้วกันแล้วฉันก็ช่วยได้นี้ไม่ช่วยได้นี่จะมาถึงมาทํำมาไม่ทันน่ะฉันไม่รู้นะข้อนี้แต่แกสกูลเอาไวแล้วกันว่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยแล้วท่านช่วยได้ไมจะอีกปัญหาหนึ่งอย่างนี้จะเอาอย่างไหนเราย้อนถามเป็นตรีุช้าถามเข้าไปอย่างนี้ก็แล้วกันพราะพระเจ้าสอนเราให้ละไว้น้าเป็นตามที่พวกองค์สอนเรานี่พวกองค์ที่พึ่งเราแล้ว ถพระองคไม่สอนเราจะทีนั้นเราจะไหวเป็นเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้ว่าเหวชาวพุทธไม่ได้ขาดที่พึ่งพระพุทธจะทำมาสงช่วยเราอยู่ทุกขณะเี่ยทุกทุกขณะเดียวข้อสองออธิบายว่าคนที่นอนฝันนอนไม่หลับอาจมาสงสัยทำไมในพระวินัยที่สุนอนหลับฝันว่าได้เศษกามอสุกิเกิดไม่กลับอาบัติสังขาริิเศตหรือทางอภิธรรมกับพระวินัยต่างกัน อ่ผมอธิบายถึงคนที่นอนฝันนอนไม่หลับนี่อธิบายอย่างไรครับผมไม่ทราบคือผมอธิบายว่าวางขจิตน่ะได้แก่ภาวะภาวะของคนที่หลับสนิทไม่มีฝันด้วยว่าตกผวงแต่ถ้ามีฝันแล้วจิตขึ้นสู่มโนทวาราวิถีเป็นวิปุนวิภูตาลมบ้างเป็นอวิภูตาลมบังเป็นมโนทวาราวิถีนะฮะทางมโนทวารรุ่นรุน่รนอย่างนี้เป็นฝันใยการ การฝันเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นกรรมเช่ว่าฝันว่าฆ่าคนตายอย่างเนี้เราไม่ถือมีมีวิบากเมื่อฝันว่าฆ่าคนตายไม่มีวิบากแล้วตามฝันถือสุกะเคลื่อนน่ะจริงหมดตะประาชิษย์ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะเพียงแต่ความฝั น, อ, นองค์ตะประาชิกยประกอบด้วยของจริงมีชิ้นจริงถึงจะเป็นอเด น, นี้เป็นความฝันนี่ครับของจริงชิ้จริงเลย ม, มเป็นเที่ไหนความนึกคิดทางโมโนสวรรค์นั่นเอง เพราะั้น่ปรับเหมือนกับที่ฝันว่าข้าคนตายเนี่ยไม่เป็นเวลาชิดเหมือนกันหรือฝันว่าอุสริรุษธ ร, รรมหรือฝันว่าทาอนันตริกรรมข้อแรกข้อหนึ่งเนี่ยหุบาตไม่เซนพาความฝั น, นครับเห็นจะพอทุ่งคุณกับเวลานะครับตลับวันนี้